ควาสงครามโลกก็คือความทุกความพินาศทิพยหายของสัตว์โลกนั้นมันเกิดเป็นครั้งเป็นคราวส ง, ราสงครามที่มันเกิดเกิดเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดเรากติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันก็คือการเจ็บข้ายื่อยปวดปวดหัวตัวร้อนโวดประการต่างๆมีเรียกว่าสงครามมันงชายาเข้าไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตา ย, ยามีก็สงครามมันหนึ่งสงครามทาดขัน สงครามโลกมันก็เริ่มถ่ายเริ่มขันเริ่มทำลายสมบัติเป็นทองต่างๆทําลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในแค่แต่ระหว่างที่เด็กกับใจนี่เป็นเรื่องทํารองเดียวกันก็ทําทลายจิตใจและทําลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยฐานี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจ น, นวนที่ให้เกิดสงครามคุกคิดเดสนี่มันมีมากมันลุกลามกังมากเพียงไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นทัดเจนถ้ามันสุ่มอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันของนาคิตนใจของแต่ละคนละคนถึนงลวนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามไี่มีการต่อสู้กันเราต้องเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้เือความเจ็บไข้ได้ดยปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาจาเข้าไปแก้ไขหรือปราปกันมีเร่มีครั้งมีการต่อสู้กันเ็าเรียกว่าสงครามแน่ระวังใจระวางใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่าทำลายอยู่เรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ่งจุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านตูปปธิบัติ์ธรรมะจึงต้องรื้อเลี่ยนควงขวายใน อ, อันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภยัยจากจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเราลบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดาหรือเวลาใดาวันใดที่เลสมันชนะเราเราก็ยอมทนทุกทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผ้าสุกเย็นใจี่เลสหมอกไปชั่วการเชื่อเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเล่นเดินจงกลมนั่งสมาธิภาว น, นาแกขต่างสติปัญญา อุบายของเราารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับระงับดับลงไปเป็นลำหนักลำหักถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเดส ก, ก็คือสติปัญญาสเบียงก็คือความภาพเปลี่ยนเป็นหนนเสมอ ความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยมือคือกองเสบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลักที่เรลือทั้งหลายแต่เบาบางจากอิกใจใครเค่มีความร่วมเย็ยนเป็นสุขมุ่อว่าการต่อสู้กันระหว่างที่เหลื ก, กับถัม ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้ขนนารชนะกันถ้ามีเรื่องมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากาอำ น, นาจของเจลึกถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบมในการต่อสู้เส้นเดียวกับเคารพในสงครามก็ตางก็ออยังพรอมมีทางที่จะรับ ชัยชนะเป็นพักๆไปมีความจุคอนสบายใจบ้างสถานะของพวกเราพูดทางก็ดีทามังสังรังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สงบสงครามหกประคำสทรงไทยดึงปรากฏขึ้นมาเป็นทามังสนังขรรษแก่วพวกเราพระสงฆ์สาวกต่งางองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุอสมบท เริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสย่าเอือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำได้ออกบวชในพุทธศ า, าสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็งตนเพื่อชำระที่เลดหรือปราบปรามที่เลวซึ่งมีพยู่ใาจในใจให้หมดไปโดยลำดับําดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในฐานที่ต่างๆอาการต่างๆ พนยาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาล้มไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นวับเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งชิงไทยกับกิเลสแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความาเา่าเลียมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้ปรากฏก็เป็นทั้งขังส น, งนังขถามคือผู้ชนะในสงครามระหว่างิ ธรรมหรือระหว่างกิเลส ก, กับธรรมได้กรองบรงมสุขเป็นภายในกิตใจปรากฏเป็นสรณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนามกระฉามนี้ทั้งสามสถานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับแต่ชนะเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธวิสัชมันกม็มีความหมายอะไรทะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริสัชได้จากลูกต้าเหล่ากของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบําเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาสูงสถานที่บําเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกขอสมมุตินิยมกันต้องมาถูงสถานที่ลําบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมันถูกห่อโยน้ำโดยอะไรก็แล้วแต่เราจะพินาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคนเพลินตางกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งนาประพฤตปฏิบัติ คำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความรื่นริงมันตึงด้วยความพ อ, อพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามรอยเท้บาทของพระพุทธเจา้าหือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราพุ่งทิงไทยกับกิเลส จิตใจเรากินมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบวันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะ เ, เกิดขึ้นจากการลำบากเพราะความภาคเพียนด้วยการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมา เรื death, happy, ่งมีความทอดถอนมีความอิจฉาราอาใจต่อความภาคเกลี่ยนที่จะก้าวไปโดยลํำดับๆเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงระลึกถึงธงดั่งพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในพระสูตรไม่กินเบโซข่าวหรืออ่านเยลุกขมูลเลยว่าซึ่งญากริวพิฆขบุเมื่อเธอทั้งสันสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายจะไปอยู่ในลุกขมูลล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดบิดพันใ น, ในใจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเรกะสะอายรยาถะนัตตะกะสสุ อถะพุทธังเสเรยาาัตะหากว่าจะลูกถึงพบุพเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึ่งลึกถึงพระธรรมกั้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากละรึกถึงมาธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงละลึกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะ้เกิดความมั่นใจในเธอทั้งหลายยุคนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลต้ลไม้หรือเรือนบ้านในป่านในเขาที่ใดก็าตามทุน ถ, ถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายใ น, ในใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความบาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีใน จ, จิตใจแล้วจะ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 การนึรกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมมาสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรยัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้ อ, อันแอขึ้นมาอันนห้นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความทอดแท้ อ, อันแอรหรือทอดถอยอย่างเรานี่หรือดําเนินแบบไหน เราคป็นระลึก อ, อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่รลึกกิจ้างเราย่อมขึ้นหน้าลึกคล้อยตามนั้นให้กิเลสที่ความท้อแท้แรมันถูดลากลงไปแล้วราลึกถึงพระธรรมพระธรรมท้าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสรดดิฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมั่ง่ายความอ่แอนี่นักหนา หากว่าสิ่งนี้เป็นของประเสิร์ตแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งนี้ทําไมถึงไม่ประเสิร์ตกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแค่ออนเดยยึดเอาหลักความเงแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้นะสังฆทานังกระฉามิของพวกเราท่านทอดแท่ออนเดยหรือ ความตอแท้ อ, นอันเดียวนี้กับสังขำสนังกระฉามนี้นี้เข้ากันได้ไหมความตอแท้อันแอรเรื่องของพิเรกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสาระขึ้นจะมีอยู่ภายในจิตขั้นต้นให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างพิเรกกับธรรมพิเรกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือพิเรกแต่มันฉลาดสําหรับสังสารคน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 เพราะการสู้รบ ก, กับพิเลตเราจะาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทํางานธรรมดาก็ยังลําบากอ น, นี้การสู้กับวิเลตซึ่งเป็นสิ่งที่เหน้ยวแน่นที่สุดภาณในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่หนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งหนึ่งซึ่งล้นแล้วตั้งแต่มีสิ่งวันนี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเตาหรือชำระออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไมาได้ เมื่อเป็นฉช่นนั้นจึงต้องตัดเยบตะกายจึงต้องพยายามจุดกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาตามัตตธมธรรมเพื่อสิ่ง น, นี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งเนินให้เราะระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรม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 พระพุทธเจ้า็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านส ม, มบุญํำบันลำบากจากจำมาจนชุดแคบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธทางธรรมังสังฆังสันนังกระสาณีของพวกเรานี่เราผูดดำเนินตามท่านจึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบน่นบางครัง้งบางคราวต้องเอาชอีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามโลกไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทําอันตรกิจมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราๆท่านๆไม่เหมีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตามซ้ำนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับําับจิตนี้ อ, อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวทิเดส ก, ก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระทิพ ค, ความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ํำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตั้งทางขีดขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดรอยออกไปจิตใจจะมีความระหว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักมองเห็นอัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ้นเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัดเพื่อธทำก็ต้องเยียมย่มําทําลายหึืฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกบกิเลสธรรม ก, กิเลส ก, ก, ก็เหมือนกับขวา ก, กำหนามต้องคอยทิมแทงเราอยู่เสมอการแจ้ไขกิเลสจึงเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาปเป็นอุปสรรคทำลกเนื่อยไป ความตายนั่นนะ่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะ น, นี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งอย่างกอ่กันไม่มีความตายเต็มร่างกาย<อ>แล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนเข้าเป็นชั่วโมงจวนเนืมันกินเข้าไปเรื่อยเป็นนาทีเป็น วิ่งนาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมองแล้วกับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่โดยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดั้นความตายมันก็ไม่ได้ไหว้หน้าใครทั้งนั้นนะถึงการแน่ต้องพระราชากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสื่อสอนว่ส า, าสัพเพสตานว่สาสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์กิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์กิดแ ก, ก่ เ, เก็บทายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาโหนตุจงอย่าได้พยาบาทค่าเบียนจิตนันจงยงได้มีเบียนแจกกันในการอายาป ร, ประชาหหนตุจงได้พยาบาทอาฆาอาฆาตอย่ะได้เบียดเบียนกันมีอาฆาตโนตุสุขีะจะนัง่งไปหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ้าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์ก็แจกจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสงสารซึ่งากาันและกัเพราะอย่างไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทางถนนทั้งทางก็ดีตีกร า, าไว้แล้วโอสัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์นนตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกาอ ม, มาเรื่อยๆ เ, เ, เขาเอาลงฆ่าสัตว์นนี่ไลไอเรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกราไว้หมด เป็นตัวว่ากร้านี่ไม่ได้เหมือนอย่างกราเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นกราหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะกระมาดดื่มควนควายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นตบัดของเราร่างกายนี่ิดเป็นตบัดของพยามาจุราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเจ้าใดอย่าไปหึวงหึงหวงก็เป็นความลําบากลําบนตนหมดเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำรรให้รู้ตามปไปกินปล่อยลมรรมสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาปล่อยลมตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องอยุ่ตงต้องยึดกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตกไ็ไม่หนัก อีจจะมีความเบาสว่างาากระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดอิจ ก, ก็เป็นวิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเฮจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไมาถึงขั้นนี้นแล้วสมายทั้งนั้ น, นขอให้ทุกทุกท่านนำไปปรกพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกเหนืน่อยเพลเพ็ดไม่ไยจจะอะไรนักกงไม่ใช่ไม่ทันยันันซุปอันนท่านั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะทิ้งเฉยหะเอาละขอหยุดติเหมือนกันเฮ้ยฉันมีอีกอย่าะเฮ้ยราชวังแล้วใส่กรงทองด้วยพึ่งหัดมารยาทลิงพึ่งหัดมารยาทลิงฟังได้ว่าพึ่งหัดมารยาทลิงพูดอะไรๆก็ให้ลิงฟังกบปลมลิงใชีเลวลา น, นี่เราจะย่นเราเ้ยแ้าก็ไปปล่อยอไปว่างันพอปล่อยแล้วก็ไอเรียตัวนี้ให้ปล่อยแล้วปล่อยฝุ่นลีนพอปล่อยแล้วลีนตัวนี้โดดลงน้าโดดลงน้ําล้งยุ่งไปหมดแล้ว น, นี่ทำไมเรียงทั้งหลาก็เหม็นลงไปเล่นน้ากันนี่วะแล้วเขามันากเล่นเหมือนกันแหละบางอัน แต่มันจําเป็นไปอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันขอนอะไรฮะเร า, ๆๆๆ า, เ, ราเราไม่ยุ่งไปหมดเรานี่สกรปรกเราต้องมาล้างใหม่ก่อนหมดเลยเราถึงจะเข้าหมู่เพื่อนได้ว่าฟั<อ>ตงตีหนะออ <laughs> เออว่าไงนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของทําอยู่กับอย่างที่พูดตะกีนี้เข้าใจไหมอืมมันสกรปรกเรื่องโลก อ, อืมถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไปล้างกันอยู่ทั้งวันนึ่งเลยล้างกันเหมือนกับลิงลิงมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งเน่ยเงเท่นัะ ยูดดูสิเกียกับฝั่งก่อนหองโลกเป็นไงหมดแล้วอะไรที่ตารจราดกหมดแล้วน่